สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูหนึ่งร้อยเก้าสิบตอนคาอุปมาเกี่ยวกับลูกตอนที่สามครับพระชนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ยีิบสองข้อหนึ่งถึงข้อสิบสี่มัทธิวบทที่ยี่สิบสองข้อหนึ่งถึงข้อสิบสี่โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าพระเยซูตรัสแก่เขาเป็นคําอุปมาอีกว่าแผ่นดินสวรรค์อุปมาเหมือนกนศาศาษัตริย์องค์หนึ่ง ได้จัดการเลี้ยงเรื่องในพิธีอภิเษกมรเหสีให้ราชโอรสของท่านแล้วใช้ขา้าราชการไปตามผู้ที่รับเชิญในการนี้แต่เขาไม่เคยจะมาท่านยังใช้ขา้าราชการอื่นไปอีกรับสั่งให้บอกผู้รับเชิญนั้นว่าดูเถิดเราได้จัดการเลี้ยงไว้แล้วทั้งวัวและสัตว์คุณแล้วของเราก็ฆ่าไว้เสร็จสิงคพัดก็เตรียมไว้พร้อมจงมาในการอภิเษกนี้เถิด แต่เขาก็เพิกเฉยและไปเถียบางคนไปไรนาของตนบางคนก็ไปทําการค้าขายฝ่ายพวกงอกนั้นก็จับข้าราชการทําการอภยศต่างๆแล้วค่าเถี่ยวกระสาตองนั้นก็ทรงพรวีโรดจึงรับสั่งให้ยกกองทหารไปปราบปรามฆาตกรเหล่านั้นและให้เผาเมืองเขาเสี่ยแล้วท่านจึงรับสัง่งแก่ข้าราชการว่างานสมรสก็พร้อมอยู่แต่ผู้เชิญ น, นั้นผู้ถูกเชิญ น, นั้นไม่สมกับงาน เหตุฉะนั้นจึงออกไปตามทางหลวงพบใครๆก็ให้เชิญมาในงานนี้พวกข้าราชการจึงออกไปเชิญคนทั้งปวงตามถนนแล้วแต่จะพบให้มาทั้งยีและชั่วจนห้องโถงงานสมรสนั้นเต็มไปด้วยแขกแต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จทอดพระเทพแขกก็เห็นผู้หนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานจึงรับสั่งถามว่าสหายเอย๋ยเหตุไฉ น, นจึงมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อผ้าสำหรับงานแต่งงาน ผู้นั้นก็นิ่งอั้งอยู่พูดไม่ออกพระจักรจึงรับสั่งแก่พวกข้าราชการว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปทิ้งเสียที่ที่มืดภายนอกอันเป็นที่ที่มีการร้องไห้ขบเคียเค้ยวเคี้ยวขวัญด้วยผู้รับเชิญก็มากแต่ผู้ทรงเลือกก็นอนพครับนี่เป็นคําอุปมาที่เปียสูสอนในพระวิหารนะครับและไม่ใช่คําอุปมาใน ลูกาบทที่สิสี่ข้อสิบหกถึงยี่บสี่แม้ว่าจะมีเค้าโครงเรื่องคล้ายๆกันนะครับแต่เป็นคนละเรื่องกันครับเพราะเรื่องนี้มีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกับในพระธรรมลูกาบทที่สิบสี่นะครับและในคําอุ ม, มาในลูกาบทที่สิบสี่นั้นพระเยซูทรงเล่าในขณะที่พระเยซูร่วม ง, งานเลี้ยงในบ้านของพวกอริสีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ยี่บสองนะครับมัทธิวยี่บสองกับเหตุการณ์ลูกาสิบสี่นั้นเป็นคนละเหตุการณ์กัน ครับเรามาดูกันนะครับว่ามัทธิวยี่สิบสองเปเยซูเขาอยากจะสอนว่าอะไรเปเยซูตรัสรว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนกับกษัตริย์องค์หนึ่งได้จัดงานเลี้ยงเรื่องในงานแต่งงานของลูกชายครับชาวยิวเชื่อว่าการปกครองอย่างกษัตริย์ของพระเมสสิยานจะเริ่มต้นด้วยการเลี้ยงการเลี้ยงงานแต่งงานในสมัยโบราณนั้นเป็นการเลี้ยงที่ยาวนานนะครับถ้าคนที่มีเงินน้อยนะครับก็จะเลี้ยงสามวันเจ็ดวันแต่ พระราชานะครับเรี้ยงเป็นเดือนนะครับเรียงเป็นเดือนอย่างไ้ตามครับคนยิวนั้นเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นพวกเดียวที่จะได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่ใช่พวกเราต่างหากทีก่เป็นคริสเตียนครับเรานั้นจะเป็นพวกเดียวที่ได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าและเข้าสู่งานเลี้ยงเฉลิมฉลองนะครับของพระโอรสเข้าสู่ ชีวิตนิรันเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าในข้อที่สามครับได้กล่าวอ้างอิงถึงประชาชนได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงแต่ปรากฏว่าคนเหล่านั้นครับไม่ยอมมาบรรดาผู้ที่ถูกเชิญมาในงานเลี้ยงครับตอบว่าพวกเขามีธุระยุ่งเกินกว่าที่จะมาได้เี็นไหมครับคนเหล่านี้ครับก็เปรียบเสมือนกับชาวยิวที่ได้รับถ่ายกระเสริฐก่อนชนชาติอื่นๆเพราะว่าพวกเขานนั้นเป็นประชากรที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ พระเจ้าได้ทรงให้พวกเขานั้นเป็นพวกแรกที่ทรงเลือกพวกเขาไว้พระเยซูกําลังสอนให้พวกเขารู้จักเที่ยงกับใจใหม่หันกลับมาหาพระบิดาเพื่อที่เขาจะเป็นพระบิดาเพื่อที่เขาจะรู้จักกับพระบิดาบนสวรรค์อย่างแท้จริงกับเพื่อที่พวกเขาจะรู้จักนมัสการพระองค์อย่างแท้จริงพวกเขารู้นะครับว่าพ ร, พระเจ้าพระบิดานั้นเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่เพียงเดียวแต่พวกเขา ไม่ยอมเชื่อของพระเยซูครับขณะที่เขาไม่ยอมเชื่อฟังพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระบิดาที่ส่งตรงลงมาจากสวรรค์ทำให้พวกเขานั้นไม่ไรับความรอดแม้ว่าพวกเขานั้นจะถูกพระเจ้าได้จองตัวไว้ก่อนก็ตามพี่น้องครับบรรดาผู้ได้รับเชิญให้มาในงานเลี้ยงในคำอุหมานนี้ตอบว่าพวกเขามีจุระยุ่งครับในข้อที่เจ็ดได้พูดถึงพระเยซูทรง อธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีคศ70แน่นอนเวลานั้นนะครับชาวโรมันฐานโรมันก็เผาและทำลายกรุงเยวเสล็นครับวัตถิวผู้เขียนบันทึกประกิริคุณได้เขียนหนังสือนี้หลังจากที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเขายังรู้ว่าถ้อยคำของพระเยซูนั้นก็เป็นความจริงทั้งสิ้นเพี่นันครับในค อ, อุมาณี้ที่สาคัญอยู่ที่แขกครับเมื่อแขกได้รับเชิญมาร่วมงานนะครับ ใครก็ตามที่อยากมาร่วมงานในที่สุดห้องโถงก็เปิดออกต้อนรับครับแขกที่รับเชิญไม่ได้มาร่วมงานกษัตริย์ก็ส่งข้าราชการไปเชิญใครก็ได้ที่อยากมาร่วมงานพี่น้องครับเราทั้งหลายเป็นใครก็ได้ครับที่อยากจะมาร่วมงานเมื่อ ก, ก, กษัตริย์จัด ก, การเลี้ยงสมรสพี่น้องครับการเตรียมงานเลี้ยงนะครับจะเตรียมเครื่องมือผมพิเศษสําหรับแขกของเขาหมายความว่าเจ้าภาพจะเตรียมเสื้อ นุ่งห่มนะครับสําหรับแขกของเขาใช้ก็ตามที่มาในงานเลี้ยงถ้าไม่สวมเครื่องห่มนี้จะเข้าในงานเลี้ยงไม่ได้ครับอุมมวานี้บอกกับเราว่ า, วามีแขกคนหนึ่งในงานเลี้ยงไม่ได้มีสวมเสื้อเสื้อหรือเครื่องนุ่งห่มสำหรับงานนี้ตัวอย่างของพระเยซูในตอนนี้เกี่ยวข้องกับแผ่นดินสวรรค์ครับใครที่จะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์จะต้องสวมเครื่องนุ่งห่มนี้เครื่องนุ่งห่มนี้ ในอิสยาหบทที่หกสิบเอ็ดข้อที่สิบได้บอกเรียกว่าเป็นเครื่องนึ่งผมหรือเสื้อผ้าแห่งความรอดครับเครื่องนึ่งผมหรือเสื้อผ้าแห่งความรอดนั้นอีกขึ้นว่าเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมแต่ในพระธรรมมิวอันบทที่สามข้อห้านะครับได้กล่าวว่าอย่างนี้ว่าผู้ใดมีใครชนะผู้นั้นจะได้สวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตแสดงว่าเสื้อนะครับเสื้อผ้าแห่งความรอด เชือคลุมแห่งความชอบธรรมเชือสีขาวนั้นเป็นเรื่องเดียวกันบุคคลใดก็ตามที่ไม่มีเชือคุมแห่งความชอบธรรมซึ่งจะเป็นของเราได้ก็ต่อเมื่อเราได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดเท่านั้นคนที่ไม่มีเชือคลุมนี้นะครับจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะถูกทิ้งออกไปอย่างที่มืดคายนอกพระเยซูสรุปคา อ, อุปมานี้นะครับว่าด้วยผู้รับเชิญก็มาก แต่ผู้ที่ทรงเชิญก็น้อยคนที่รับเชิญเยอะครับมันก็จะมีคนปฏิเสธไม่มางานเลยแต่ก็จะมีบางคนที่เข้ามาในงานแต่ไม่ยอมสวมเชื่อคุมแห่งความรอดเป็นต้นครับแผ่นดินสวรรค์อาจจะเปรียบนะครับเป็นภาพของคิดจักรก็ยังพอได้อยู่นะครับในคิดจักรนะครับเมื่อราลูกกาบมีบางคนก็ไม่ยอมเข้ามาเลยนะครับมีบางคนก็แฝงตัวเข้ามาครับแต่ไม่ยอม แต่เชื่อหรือสวมเชื่อคุมเห็นความชอบธรรมนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูนะครับแต่ส่วนคนที่เปิดใจต้อนรับพระเยซูนั้นพระองค์ได้ทรงให้เขาเป็นบุตรของพระเจ้าเขาได้สวมเชื่อแห่งความชอบธรรมสวมเชื่อผ้าแห่งความรอดสวมเชื่อคุมนะครับสวมเชื่อสีขาวนี่นะครับเป็นเหตุที่ทําให้เขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าตลอดไปเพียงครับการปฏิเสธพระเยซู ประบุตรของพระเจ้านะครับจะไม่ได้รับเลือกให้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าในที่สุดพวกเขาจะไม่ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงสมรสที่จะมีขึ้นในตอนสิ้นยจบขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในการที่เราจะแยกแยะพี่น้องครับเราต้องแยกแยะตัวเองนะครับเราต้องไอดีนติฟายตัวเองก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนหลายหลคนบอกว่าฉันอยู่ในแผ่นดินสวรรค์แล้วนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าฉันมาโบสถแล้วฉันมาโบสถนานหลายปีแล้ว ฉันได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าหลายๆอย่างและ้ะนั่นเป็นการันตีว่าฉันได้สวมเสื้อแห่งความชอบธรรมเรีเยบร้อยแล้วเพียงครับผมจะบอกกับพี่น้องว่าอยากจะล่าใจนะครับเราจะต้องรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดอย่างแท้จริงด้วยหัวใจนะครับด้วยจิตวิญญาณแล้วก็นอกจากคําพูดที่จะต้องยืนยันออกมาด้วยจะต้องปากกับใจตรงๆกันครับแ่ในสิ่งนี้ครับจะเป็นการันตี ที่สําคัญที่สุดครับเป็นหลักแห่งพระเจ้ของพระเจ้าที่ทำให้เรารู้ว่าการอยู่ในแผ่นดินสวรรค์นั้นจําเป็นที่จะต้องได้รับความรอดจาเป็นที่จะต้องเชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ขอพวกเราที่จะพิจารณาตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเราอยู่ในแผ่นดินสวรรค์จริงๆหรือเปล่าครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน